หน้ายี่สิบเกจะตุถีวิพัตยันตปัฏะอ่านอ่านจะตุถีวิพัตยันตปัฏฐะบที่มีจะตุถีวิพัตอยู่สุดท้ายจะตุถีวิภัตใชในอักสี่อย่างหนึ่งสัมปทานัทธะอัสัมปทานผู้รับแก่ตอ่อในที่ประกอบด้วยธาตุเหล่านี้ พาพาเนในการให้เช่นสังคสตะเทติรูจยายาจร้จัอิจฉ า, า, า, า, า, า, ายังในความพอใจเช่นรุจจติสังคสักขมุสะเนในความโอดกลั้นเช่นธรรมติสังคสักขีอิจฉายังในความพอใจ เช่นชาเทเติทาง ก, กัจสัตทัระทางกรณีในการทรงไว้เช่นอาจัรยิยัติชาตังทางเรติอีณส า, ามิกัสสัตอินางทางเรยติสองตุมาตรในอตุงปัจจัยเพื่อสามอาสีสนทฐาน อัตปาธนาแกศี<ส><ส>นโมโยคะที่ประกอบด้วยนะ โ, โ, โมเป็นต้นแ ก, แก จตุถีวิพัตยันตปท ะ, ะบทที่มีจตุถีวิพัตอยู่สุดท้ายเราเห็นจตุถีวิพัตอยู่สุดท้ายเนี่ยใช้ในอั่วนใหญ่นะใช้ในอัศสี่อย่างเนี่ยมีเพิ่มเติมมากกว่านี้บ้างก็เล็กน้อยอัศที่หนึ่งชื่อก็คือสัมปทานะคาว่าสัมปทานะเนี่ยแปลว่าครับไทยก็ ใช้คำซ้อนกันว่ารับสัมปทานคำว่าสัมปทานกแ็แปลว่ารับรับกแ็แปลว่ารับองคแปลว่ารับหมายถึงผู้รับคําว่าสัมปทานะนี่ท่านแปลว่าปฏิคขาหากะเรารู้จักกันในนามคําว่าปฏิคขาหกผู้รับผู้รับนี่หมายถึงใครหมายถึงบุคคลที่เขาให้โดยดีเพืให้ด้วยดี ใครที่เขาให้โดยดีผู้นั้นแหละชื่อว่าสัมปทานะก็เลยแปล ง, ง่ายๆว่าผู้รับผู้รับถ้าเขาให้โดยไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นผู้รับเขายินดีให้ความหมายง่ายๆเขายินดีให้ใครผู้นั้นชื่อว่าสัมปทานะสัมปทานะการใช้จตุถีวิพัฒนิในสัมปทานะเนี่ย ส่วนมากและจะใช้ในที่ประกอบโดยธาตุเน้นที่ธาตุที่ประกอบอยู่ที่สับกิริยาเป็นหลักหมายความว่าธาตุเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นธาตุที่มองหากรรมแต่เป็นธาตุที่มองหาสัมปทานะมองหาผู้รับไม่มองหาสิ่งที่ถูกทำมองหาผู้รับเป็นหลักทาธาตุก็มองหาผู้รับเป็นหลักรู้จักธาตุ มองหาพุ้งรับค ม, มุชทีทั้งละธาตุเหล่านี้จะมองหาพุ่งรับเป็นหลักไม่ได้มองหากรรมเป็นหลักซึ่งท่านโยกตัวอย่างมาตรงนี้ว่าทาทาเนในการให้เช่นสังคัสสะเทติเทติย่อมถวายสังคัสสะแก่สงถวายแก่สงอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึง ต่อไปรู้จักอิจฉายังในความพอใจรู้จักธาตุใช้ในอัดว่าพอใจเป็นที่วาที่คณะลงยะปัจจัยจายะเป็นจ่าซ้อนจะในกิริยาจึงเป็นรุจจติรุจจติแปลว่าย่อมพอใจย่อมชอบสังคสสะแก่สง์กรรมนี้ย่อมชอบแก่สงกรคำนี้ย่อมควรแก่สงเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่าง ตัวอย่างมากๆในอัดสมบัตานะต่อไปคมู้ธาตุในอัดวัสหะเนทั่วๆไปคมูธาตุเนี่ยใช้ในอัดวัสหะเนแปลว่าอดทนอดกลั้นขมูตัวนี้ที่มาใช้เป็นขันติก็คมูตัวนี้แหละเช่นคมตติสังคัสสะคมตติแปลว่าย่อมทนย่อมอดกลั้นแต่ในนี้ท่านแปลว่าย่อมควรนะย่อมควรสังคัสสะแกสงกรรมย่อมสมควรแกสง หรือกรรมไม่สมควรแก่สงเวลาฟังท่านสวดกรรมวาจาเนะี่ยตอนท้ายๆมักจะลงตรงเนี้ยธรมมิสังคสะก็จะมีครามิสังคสสะบ้างนักครรมิสังคสสะก่อนจะจบยติต่อไปฉะทีท่าเนี่ยอาจว่าอิจฉายัางเหมือนบรรลุจากท่าในความพอใจ ในความชอบเช่นฉาเทติทางรกัสษาฉาเทติย่อมชอบย่อมเป็นที่พอใจทางรกักสะแก่เด็กเช่นของหวานของหวานเป็นที่ชอบใจแก่เด็กต่อไปทางกราธาในอัตวะทางระเนในการทรงไว้เช่นอาจังกฤษะอาจังกฤษะฉัดตังทางเรติทางเรติ ทรงไว้ย่อมทรงไว้ย่อมรักษาไว้ย่อมประคองไว้ชัดตังซึ่งร่มอาจักรยัสสะแก่อาจารย์ย่อมทรงไว้แก่อาจารย์ทรงไว้เพื่ออาจารย์นะเป็นกรรมแต่ว่ากรรมไม่ใส่ก็ได้แต่สมรานะต้องมีทรงไว้เพื่ออาจารย์ทรงไว้แก่อาจารย์ตัวฉัดตังมนะันเป็นกรรม ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ไม่รู้ว่าทรงอะไรไว้ก็ใส่เข้ามาแต่ว่าต้องมีสมรฐานะาธารธาเนี่ยนะอีกุธาหอ น, หนึงอินาสามิกัสะอินังทางระยะติทางระยาติย่อมทรงไว้อินังซึ่งหนี้อินาสามิกัสะแก่เจ้าหนี้หมายถึงว่าเรายืมเข้ามาแล้วเป็นหนี้เขาแล้วยืมมาหนึ่งร้อยบาท ก็ต้องส่งหนึ่งร้อยบาทนั่นเอาไว้ให้เจ้าหนี้เขาต้องรักษาไว้ให้ครบคืนก็คืนให้ครบเดี๋ยวว่ารักษาหนี้ไว้ให้เจ้าหนี้ส่งเอาไว้อันนี้เป็นอัดสมบัติานะนะเดี๋ยวค่อยไปดูลายละเอียดนะต่อไปอัดที่สองคือตุมัถะอัดตุงปัจจัยแปลว่าเพื่อตุงปัจจัยแปลว่าเพื่อจะตุถีวิพัตก็แปลว่าเพื่อ ส่วนมากจตุถีวิพัฒน์สระจตุถีวิพั ต, ต, วพตเวลาใช้ในอัตุงปัจจัยเนี่ยมักจะอาเทศสะวิพัฒเป็นอายะมีรูปเป็นอายะเพื่อเช่นหิตายะสุขายะพวนนะถวายสังฆทานทุกทีได้ว่าทุกทีทีคารตังหิตายะสุขายะเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอะไรนั่นนะ เดี๋ยวค่อยไปดูอุทาหรณ์อธิสามอาีสนัตตะอัฏปราธนาแปลว่าแก่คาว่าปราธนาในที่นี้หมายถึงปราธนาดีส่วนมากและจะเป็นคำอวยพรขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านอธิสี่ณนะโมโยคะในที่ประกอบด้วยนะโมสัพท์เป็นต้น นโมตัสสะเห็นไหมต้องเข้าจตุถีวิพัฒน์ตัสสะนั่นเป็นจตุถีวิพัฒน์นะเห็นนโมที่ไหนสักสันเป็นเจตุถีที่นั่นนโมตัสสะพระครวตโออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทั้งหมดนอกจากนโมแล้วลงเจตุถีวิพัฒน์หมดเลยตัสสะก็เจตุถีวิพัฒน์พระครวตโตก็เจตุถีวิพัฒน์อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนกันเป็นเจตุถีวิพัฒน์เพราะประกอบด้วยนโมต้องเข้ากับจตุถีวิพัตน์ ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจตุถีวิพัตตัววิพัตคือตัววิพัตคือตัววิพัตคือเ<ะ>ท่านี้เหรออืมสะนางเจตุถีวิพัตตัววิพัตก็คือสะและนางคําแปลรวมทั้งหมดว่า แกเพื่อต่อสำหรับนี่ทั่วๆไปแปลอย่างนี้ทีนี้เราจะมาดูดูไปตามลำดับตั้งแต่อัตสัมปทานะดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งจตุถีวิพัตในอัตสัมปทานะแปลว่าแกแปลว่าต่อดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งมนุษย์สากศาทานังเทนติมนุษสาเป็นพระหูพจน์เทนติเขาเป็นพหูพจน์ประธานกับกริยาต้องตรงกันเป็นพระหูพจน์เหมือนกัน ไม่แปลให้เราก็แปลได้แล้วเนี่ยนะพอนไม่ยากแล้วเนี่ยลองแปลดูสิมนุษยษามนุษย์ทั้งหลายเทนติย่อมให้ย่อมถวายจะรู้ได้ไงยังไม่รู้ว่าใครจะให้หรือถวายดีอ่ะย่อมให้ทานนางซึ่งทานกัดสะแก่ใครเพราะยังไม่รู้ว่าแก่ใครถามอ่ะให้ทานแก่ใครเขารู้ชัดว่าเป็นพระแล้วค่อยบอกว่าถวาย มนุษย์ทั้งหลายให้ทานแก่ใครคนจะรับทานมีตั้งเยอะนะสมณะก็ ร, รับทานได้ยาจะกะวานิชะกะวณิพะกะอนาถะขะมิกะรับทานได้ทานั้นเลยสมณะพราหมณ์คนเดินทางไกลคนกัมพาคนยากไร้อนาถาพวกยาจกขอทานรับทานได้ทางนั้นนะ ข้อสองเป็นคำตอบของข้อที่1พอเป็นตัวอย่างมนุษษาสังคัสทาดังเทนติกัสะเปลี่ยนเป็นสังคัสเนะื้อคำแปลที่เหลือก็เหมือนเดิมเอาแปล ى. มนุษษามนุษย์ษยาทั้งหลายเทนติย่อมถวายทานังซึ่งทานสังคัสแกพระสงฆ์แก่พระสงฆ์ มนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> ย่อมถวายซึ่งทานแก่พระสงฆ์นีทาท่า จ, จบไปแล้วต่อไปรุ้จ่าต่ข้อ3รุจจติกัะสัจจังรุจจติกัะสัจจังสัจจังความจริงหรือคำสัตร์รุ้จติย่อมชอบใจกัสะแก่ใครความจริงยอดย่อมเป็นที่พอใจแก่ใคร ข้อสเป็นคําตอบรุดจัตติสังคสสะสัจจังสัจจังความจริงรุด จ, จติย่อมชอบใจสังคสสะแก่สง์ความจริงย่อมชอบใจแก่พระสงฆ์อย่างเช่นเวลาท่านทําสังฆกรรมอยู่สวดกรรมวาจาแล้วมันก็จะถามเป็นตอนๆไปว่ากรรมนี้ชอบแก่ใครผู้นั้นจงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ใครจงทักท้วงขึ้น ดังนั้นก็ต้องว่าไปตามความจริงนะไม่ชอบใจฝืนนิ่งอยู่นั่นไม่ใช่ความจริงต้องทักท้วงถ้าไม่พอใจต้องทักท้วงบางทีก็พอใจอยู่แต่ว่าอยากจะแสดงตัวหน่อยก็ทักท้วงไปทั่วอย่างนี้ก็ไม่ควรต่อไปข้อห้ารุดจะติโนทางรักษาสาธุ รุดจติคําเดิมนุเป็นคําถามหรือหรือไม่หรือเปล่าหรือหนอทางรักษาแก่เด็กยังไม่เจาะ จ, จงว่าชายหรือหญิงแม้ศัพท์จะเป็นปุงลิงก็ตามเด็กก็เป็นคํากลางๆทั่วๆไปสาทุสาทุทอทหารนี่แปลว่าของหวานอย่างเดียวถ้าสาธุทอทองแปลว่าของหวานก็ได้แปลอื่นๆอีกก็ได้แต่สาธุททหารเนี่ยแปลว่าของหวานอย่างเดียว สาธุทอทองแปลได้หลายอย่างของหวานก็มีของหวานก็มีน้ำหวานน้ำพึ่งคำหวานได้หมดถ้าถ้าทอธงนะสาธุนะแต่ถ้าสาธุทอนอาหารเนี่ยแปลว่าของหวานได้อย่างเดียวแปล อ, อัดอื่นไม่ได้เป็นที่ไหน่ะ <c oughs> ใครก็เอาที่ไหน่ะ <c oughs> ถ้าถ้าใจไปมันก็เอาได้ <c oughs> <laughs> สาธุเท่าทงแปลวะะา่าสัตว์บุรุษแปลว่าคนดีสาธุชนคนดีสาธุแปลว่าของหวานสาธุแปลว่าคำรับว่าดีสาธุขอโอกาสแปลได้หลายอย่างสาธุเท่าทงอ่ะแต่สาธุเท่าทหารนี่แปลว่าของหวานอย่างเดียวดูนะสาธุของหวาน รุจตินุรุจจติย่อมชอบย่อมชอบใจทางรักสะแก่เด็กนุหรือของหวานเด็กชอบของหวานไหมถามง่ายๆอ่ะเด็กชอบของหวานไหยชอบของหวานมีสองไวัยวัยเด็กกับวัยแก่ทีอายุมากไปแล้วกินของหวานกับข้าวก็อร่อยนะ ได้สับปะรดมาซีกหนึ่งนั่งกินกับข้าวอร่อยอร่อยหมูเห็ดเป็ดไก่นี่ไม่สนไม่อยากแล้วเห็ น, นพอทอดได้กลิ่นมาเหม็นได้ซ้ำบางวันก็มานั่งกินข้าวกับแตงโมแล้วคนโบราณก็มีน้ําอ้อยก้อนหนึ่งคุกข้าวกินก็อร่อยแล้วนั้นคำตอบน่าจะบอกว่าไม่ชอบแต่เด็กเท่านั้น คนแก่ก็ชอบข้อหกักศษะสาธุณรุจจติสาธุของหวานณรุจจติย่อม ไ, ไม่ชอ บ, ชอบกัศษะแก่ใครของหวานไม่เป็นที่ชอบแก่ใครแล้วก็ตอบว่าแก่ใครละ่ะแก่คนในวัยมัชชิมวัยแก่พระแก่ตมาเนี่ยของหวานนะไม่ค่อยชอบของหวาน หวานได้อยู่แต่ว่าหวานแรงๆจัดๆเหมือนคนอื่นเขาดื่มเนี่ยดื่มไม่ได้ดื่มแล้วเมาเ <c oughs> <c oughs> มาของหวานแต่ผมชอบเลาครับ <c oughs> <c oughs> ไม่หายครับแกไม่หายต่อไปข้อ7ค็มตินโนสังคสะกำมัง ก, กำกำ ขมติย่อมควรสังคสสะแกพระสงฆ์นุหรือรมย่อมควรแกพระสงฆ์หรือคำตอบก็อามะอามะขมติสังคสสะกามังคำตอบว่าอามะใช่เออจ้าค้าครับประงกศีษะอามะนี่แหละอามะเป็นคำรับสัมปติชนะนะเป็นคำรับ กำมางกำขมมติย่อมควรสังคสษะแกสงข้อ8ข้อ9ก้นักคัมมติครับแล้วนักขมตกขมติเป็นสนธิไม่ใช่กิริยาศัพท์ทั้งคำนั่นนะ่ะมาจากณ น, นิบาทแล้วก็ขมติกะจุดนั่นเป็นพยัญชนะซ้อนตามหลักสังโยคที่เฉยณบทหนึ่งแล้วก็ขมติอีกบทหนึ่ง ธมติแปลว่าย่อมควรนั้นะนักธรรมติจริงแปลว่าย่อมไม่ควรนักธรรมตินุสังคสสะกมัมมังกัมมังกรรมนักขมติย่อมไม่ควรสังคสสะแก่พระสงฆ์นุหรือกัมไม่ควรแก่พระสงฆ์หรือข้อสิอามะนักขมติสังคสสะกัมมังอามะ ครับจ้ากรรมังกรรมนักขมติย่อมไม่ควรสังคสะแก่พระสงฆ์ต่อไปฉะทีธาตุฉาเทตินุทางรักษะพัดตังพัดตังข้าวฉาเทติย่อมไม่ชอบย่อมไม่ชอบใจทางรักษะแก่เด็ก นุหรือเด็กไม่ชอบข้าวหรื อ, อ, อนัชชาเทติทางรกักษาพัดตังนัชฉาเทติก็คือณนะบวกฉาเทติจะซ้อนในสนธิแปลว่าย่อมไม่ชอบพัดตังข้าวนัชฉาเทติย่อมไม่ชอบย่อมไม่เป็นที่ชอบใจทางรกักษาแก่เด็กเด็กไม่ชอบกินข้าว บไม่ชอบกินข้าวแล้วชอบกินอะไรเด็กข น, ขนมหวานขนมหวานชอบกินจนฟันหลอหมดนะ่ะต่อไปข้อสิบสามสิทโศกัสะชะฉัดตังทางเรติสิทโสสิทหรือว่าลูกสิทธทางเรติย่อมทรงไว้ฉัดตังซึ่งร่ม กัดสะแกใครข้อ14เป็นคำตอบสิทโสอาจักรียัตฉะอาจักรียัตสะฉัดตังทางเรติแผลสิทธิ์ย่อมทรงไว้าาไวซึ่งร่มแก่อาจารย์สิทธิ์กั้นร่มให้อาจารย์ กั้นร่มภาษาเหนือว่าไงกั้นรม่มใครอยู่ทางเหนือบ้างอยู่เนี่ยใครอยู่อีสานสายสานว่าไงกั้นร่มกลางผมครับกลางผมทางใต้ว่าไงทางใต้ใครอยู่ทางใต้ใใตฮะกล้รงรม่ม เหมือนทางเหนือเลยไม่เหมือนทางกลางเลทางเหนือเขาเรียกกั้งจ่องกั้งจ่องกงลงกั้งจ่องกั้งจ่องชัดตังชัดตังจ่องจ่องจ่องจ่องยอะห้อ ไม่ใช่จ้องแป่ว่าร่มอีสานก็เหมือนกันอีสากนก็นรเรียกจ้องเหมือนกันกลางจ้องกลางจ้องกลางร่มกลางจ้อ ง, งต่อไปข้อ15โกอินัสามีกัสสินางทางระยะติโกใคร ทางริยติย่อมทรงไว้อีนงังซึ่งนี้อีนะสามิกัสสะแก่เจ้านี่แก่เจ้านี่ครับใครย่อมทรงไวใครทรงนี่ไว้ให้เจ้าของนี่คําตอบข้อสิบหคืออีนายโกอีนายโกอีนะสามิกัสสะอีนังทางริยติอีนายโกลูกนี่ ทางกริยติย่อมทรงไว้อีนางซึ่งนี่อีนะสามิกะสะแก่เจ้านี้แก่เจ้านี้นอีนายโกแปลว่าลูกนี้อีนะสามิกะแปลว่าเจ้านี่นอกจากจะใช้คําว่าอีนะสามิกะแล้วเนี่ยคําว่าทัิกะทะนิกะก็แปลว่าเจ้านี่เหมือนกันทัณิกะอเอาเขียนไม่ถูกหรอธัณิกะ ทนะแปลว่าทรัพย์อิกะแปลว่าผู้มีเท่านิกะเจ้านี้ทานิกะเจ้านี้อินะสามิกะเจ้านี้ส่วนอินายิกะแปลว่าลูกหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้อยู่เนี่ยยกมือหน่อยไม่มีเลยเหรอลูกหนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใครไม่มีหนี้บ้างอยู่เนี่ยยกมือหน่อย นี่ซับสีนี่เซฟไม่ใช่นี่บนคุณนี่ซับกูนี่ยืมสินเขาก็ว่าอย่างนั้นแะไม่มีนี่บวดได้ก็ความสุขของเครือข่ายไงสุขเพราะไม่มีนี่ไง คนมีความสุขจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่มีหนี้เป็นคนมีความสุขสุขเพราะไม่มีหนี้สุขเพราะจ่ายรั์อะไรพวกนี้ถ้าใครมีหนี้ก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้เขาชอบหาความสุขจากการเป็นหนี้นะไม่มีหนี้ไม่ทันสมัย <c oughs> <c oughs> ดูต่อไปข้อสิบเจ็ด อาจัริโยสิษฐานังคิงอังโรเจติอังโรเจติโรเจติตัวเนี้มาจากรู้จักท่าในอัวอนะอจว่าอิจฉาย่างนะแม่นป่ารู้จักอิจฉาย่างแต่ว่าพอมีอาอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะแต่แปล ว, ว, ว่ากาธเนแปลว่ากล่าวแปลว่าบอกแปลว่าพูดไม่ใช่อังโรเจติอังโรเจติ ย่อมบอกอาจารย์ริโยอาจารย์อังโรเจติย่อมกล่าวย่อมบอกกิ่งซึ่งอังไรศิทธสานังแก่สิทธิทั้งหลายอาจารย์บอกอะไรแก่สิทธิทั้งหลายข้อ18อาจารย์ริโยศิทธสานังธรมมะกะถังอังโรเจติ บอกอะไรบอกธรรมกรถากล่าวธรรมกรถาซึ่งธรรมะกรถาอาจารย์ริโยอาจารย์อารเจติย่อมบอกธรรมกถังซึ่งธรรมกถาสิทธิสารังแก่สิทธทั้งหลายต่อไปข้อสิบเก้า พุโทโธเกสังทำมังเทเสติพุโทโธพระพุทธเจ้ า, ท เ, จาเทเสติทรงสแสดงธรมังซึ่งพระธรรมแกเกสังแกชนทั้งหลายเหล่าไหนเกสังปแปลว่าแกเหล่าไหนเป็นสัพนามก็ใส่นามขึ้นมาชนะนานงเกสังชนะนาง แก่ชนทั้งหลายเหล่าไหน <c oughs> หรือว่าจะถามว่าแก่ใครอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นหมหูบทนะก็ต้องแก่ใครทั้งหลาย ต่อไปเป็นคําตอบข้อ20พุทโธเทวมนุษย์สานังทำมังเทเสติพุทโธพระพุทธเจ้าเทเสติย่อมทรงแสดงทำมังซึ่งทำเทวมนุษยสานังแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตอนแรกผมว่าจะเอาจากมนุษย์ทั้งหลายก็มหาเทวดาแกมนุษย์และเทวดานี้เลย ีไม่นิยมใช้มนุษยเทวานังมันไม่เพาะเทวะมนุษยานังเพาะกว่าข้อยี่สิบเอ็ดโกภะควะโตนะโมโกใครนะโมนอบน้อมภะควะโตแดแดพระผู้มีพระภาคใครนอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่นอบน้อม น, น, นี่จะไม่เข้าซึ่งนะจะต้องเข้าแก่ ยี่สิบสองโสหังนโมพระครวตโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังโสหังเป็นสนที่ตัดเป็นโสรหังโสรหังข้าพเจ้านัน้นนโมนอบน้อมพระครวตโตแดแดพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้านัน้นนอบน้อมแดพระผู้มีพระภาค นโมสัตตันังสัมมาสัมพุทธนังสมพุทธานังนโมนอบน้อมนอบน้อมนอบน้อมสัมมาสัมพุทธานังแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายสัตตันังเจ็ดพระองค์สัตตันังแปลว่าเจ็ดพระองค์นอบน้อมพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เจ็ดพระองค์มีใครบ้างอ่ะลองว่าดูสิเอาเจ็ดพระองค์เอา ใครอีกใครอีกหมดแล้วเหรอ ได้สองค์เองเลยโคตโมพระพุทธเจ้าเจพระองค์ก็คือกับกรสามองค์คือพระสิขีพระวิปัสสีและเวสภูกับนี้อีก3มองค์คือกกุสันทัโกนะขมันกัสปะนี่คือพระพุทธเจ้าในอดีตและพระพุทธเจ้าในปัจจุบันอีกองค์หนึ่ ง, ง ค, คือโคตมะ เจ็ดพระองค์นอบน้อมพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เคยฟังไหมตอนพระสวดมนต์อะอปมาโนพุโธอปมาโนธัมโมอปมาโนสังโฆอปมาณวันตาณิสิลิงสปาณิสุดท้ายก็ลงด้วยโงนณโมภวาโตนณโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังอื <c oughs> สาธเสริญคุณเรียกพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์มาแล้วก็ เพื่อป้องกันอะไรบ้าง่ะซิลิงส ป, ปะอหิวิจิกาสตาปฏีอุ่นนานาพีสรพูมูสิกาเอาหมดเลยตะขาบหนูแมงป่องแมงมุมตุ๊กแกงูป้องกันสัตว์เหล่านี้ไม่ให้เลื้อยเข้าบ้านนั้นบ้านไหนสัตว์พวกนี้เลื้อยเข้าบ้านในบ่อยก็สวดบทนี้ไว้จะไม่มา <c oughs> ในบทอะไรนะบทขึ้นต้นอะไรนะวิรูประเควิรูประเหิเมเมตตังเมตตังเอราปรเทหิเมอันนั้นมหานาตเอราปรเทวิรูประเคนะเป็นชื่อ น, นาคนั้นอนะ่ะร ว, วทั้งหลายที่พวกเราวม่มีที่มารครับเป็นยังไงที่มาเนี่ยนะเขียนขึ้นมาเองว่าว า, าจา เ, เ, เ, ขเขียนมาเองก็มีภาษาไทยนะครับอย่างเช่นพระรหันต์แปดทิศอย่างเงี้ยก็แต่งเองแต่งขึ้นที่วัดมหาธาตุเนี่ยที่นิยมสวดสารพันย่าซัมพุทโธ ท, ที่ป่าทางเศษโธนั่น <c oughs> อ้าว <c oughs> เสียงแหบๆเนี่ยนะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวก็ไอแอกๆขึ้นนะเดี๋ยวนี้สวดโดยเฉพาะเหมือนรุ่นเกา่ารุ่นเก่าสมัยหลวงปู่สมเด็จท่านเน้นมากเรื่องเสียงทุกวันนี้สวดออกแล้วฟังมันแปลก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ แตม่มาทันใ น, ในยุคที่ท่านควบคุมบึงบทสวดอะไรแล้วไม่แล้วไมไม่ถือ ว, ว่าผิดเหรอครับเป็นสาพันไดเงี้ยไม่ผิดหรอกครับ <c oughs> <c oughs> เพราะสมัยก่อนมีพระรูปหนึ่งแสดงธรรมด้วยสรพันญะผู้เจ้าก็ยกย่อง <c oughs> เป็นผู้มีเอตทัคคะในะในเสียงเพราะครับ <c oughs> แสดงธรรมด้วยเสียงไพเราะแสดงธรรมได้แต่อย่ายไปเมียนทํานองเพลงเขาครับ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นเพลงไหนร้องทำนองสรพันยะสักที เราไปเรียนเสียงสวดมนต์เหมือนทนํานองเพลงเขานั่นนะครับร้องเพลงมันร้องเพลงแต่ว่าเพลงแม้ประกอบได้อัดได้ทำก็สามารถเป็นเป็นเสียงที่มีสาระได้เหมือนพระได้ยินเสียงผู้หญิงขับร้องเพลง mm hmm. เกี่ยวข้องกับการเกิดการดับอะไรก็ฟังดูแล้วบรรลุเลย mm hmm. ฟังเพลงบรรลุแต่ก็อย่าเอาประเด็น น, นั้นมาพยายามจะฟังเพลงให้มันบรรลุนะครับ <laughs> รับรองไม่บรรลุฮะพระเจ้าไม่ได้แต่งเพลงอ๋อไม่ไม่ได้แต่งเพลงให้ร้องอันน okay ั้นเป็นเพลงขับแก้เป็นเป็นเป็นเพลงแก้ปริศนาแต่งบทให้เฉยพี่พระพุทเจ้าไม่ได้แต่งหรอก นะเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกรูปหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วไม่รู้ชื่ออะไร <c oughs> แต่งเพลงไปแก่ลูกสาวผูสีนั่นะ <c oughs> ต่อไปข้อยี่สิบสามโพธิกรุขสะชลังททาติยาจการนางท่านังททาติภิกขูนางทานางเทติ โพทิงรุกขัลฉลังททาติทัาติย่อมให้ฉลังซึ่งน้ำฉลังก็แปลว่าน้ำอุทะกังก็แปลว่าน้ำไม่ได้แปลว่าแม่น้ำนะให้น้าโพทิ้งรูปขัสแก่ต้นโพสงสัยไหมทำไมบาลีท่านไม่ใช้คิยยาว่ารถน้าทำไมยิ่งว่าให้น้ำนับเดียวบอกว่ารถซึ่งน้ำแก่ต้นโพ อ้าวทำไมไม่ทราบอะต้นโพนะครับไม่ว่าไปที่ไหนที่ไหนถ้าใครยกหม้อน้ํามาตั้งใจจะลดต้นโพนี่คือรถเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าท่านไปลังกาในปานอินเดียพมา่าถ้าเห็นใครเอาน้ําไปลดต้นโพนะครับนั่นแหะคือเขาบูชาบูชาพุทธคุณเขาจะมีคําว่าที่นิยมที่สุดคือลังกาครับไปตามวัดต่างๆมีต้นโพใหญ่ๆอู้ มีหม้อน้ําตั้งเรียงไว้เต็มก็จะเรียกว่าไปบูชาน้ํามารดนโขครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าถวายน้ําครับไม่เรียกว่ารดน้ําดังนั้นในบาลีท่านจะใช้ว่ากิริยาท่าติให้น้ําถวายน้ําให้น้ำแก่ต้นโพไม่เรียกว่ารดน้ําต้นโพก็าาเขาจะมีหม้อดินตั้งไว้เต็มก็มีที่ตั้งชั้นชันชมัมีหม้อเยอะหม้อดินเนี่ย แล้วก็มีก๊อกน้ํำมาไว้ไปก็เหมือนกับเรามาทําบุญนี่แหละเงินไปหยอดตู้แล้วก็ถือหม้อไปรองอาน้ําที่ก๊อกแล้วเขามารดต้นโพหนึ่งหมอ้อไม่ใช่เอาหม้อไปตั้งไว้เฉยไปตั้งไว้ทําไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใ ช, ใช่เหมือนเอาน้ํามาบูชาพุทธรูปอันนี้รดเลยลดต้นไม้เขาจะมีคําว่าจะมาไปยืนฟังเขายาวยาวที่เขาจะว่าอะไร นึกหาคําบาลีเขาจะว่าอยู่เขาจะพูดบาลีไว้ยังไงไม่มีเลยไม่มีภาษาบาลีเลยเป็นภาษาลังกาหมดเป็นภาษาสิงห์นหมดฟังมือที่คําไหนจะเป็นบาลีว่ายาวๆก็แต่คนพอไปถึงก็ยกหมอนม้ำอธิษฐานว่าสวดมนู๊เป็นสิบยี่สิบนาทีนั่นแนหะกว่าจะได้รดน้ําำพอเราไปถึงตากเสร็จแล้วก็ไปก็เทพัวเลย เขาหันมามองมาจากไหน <laughs> เดินเดิน <c oughs> มาเทเลยไม่ได้อธิษฐานอะไรเลย <laughs> ใช่ใช่ชลังเ <c oughs> <c oughs> พราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยน้ำก็เอาตักออกจากแม่น้ำถ้าอุทกกรรมก็คือ น, น้ำในภาชนะ ท, ทั่วไปถ้าชลังเน้นน้ำในแม่น้ำ <c oughs> กุฏาหนหนึ่งยาจการนังทัทนางทัทาติทัทาติย่อมให้ทนางซึ่งทรัพย์ยาจการนางแ ก, แก่ผู้ขอทั้งหลายแก่ผู้ขอทั้งหลายยาจการนางภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่ายาจกแต่ภาษาไทยยาจกเนี่ยมันกินความแคบลงไปว่าหมายถึงคนขอทานเป็นเป็นอาชีพมีอาชีพขอทานจึงจะเรียกว่ายาจก แต่คำว่ายาจะกะในคำนี้ภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงใครก็ตามเมื่อเอ่ยปากขอพวกนั้นชื่อยาจะกะหมดเลยเ อ, อย่างเช่นตื่นเช้ามาลูกชายจะไปเรียนหนังสือแม่ขอตังห้าสิบะยาจะกะและ้วผู้ขอแต่ว่าเป็นชั่วขณะนั้นแหละหลังจากนั้นก็ฐานะเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเ ก, าางงาาก่ายาโขอหนังสืออาจารย์นังสือว่าญายท่านก็เหมือนกันครับ ยถอย่งว่าผ่านไปลจถ้าพระไปเอ่ยปากขอเมื่อไหร่ก็เรียกว่ายาจักะเพราะพระห้ามขอด้วยคำพูดห้ามขอด้วยวาจีวินญาตต้องขอด้วยกายวินญาติเท่านั้นแม้แต่ญาติและปวารณา นั่นแหละครับถึงจะเอ่ยปากขอได้แต่ถ้าบุคคลอื่นทั่วๆไปเอ่ยปากขอไม่ได้ถ้าได้มาต้องอัดบัตนิสสกี้ปลาจิตีขอไม่ได้นอกจากว่าเขาบอกไว้แล้วท่านต้องการอะไรบอกเคยไหมเคยมีคนต่อวานานไหมผมไม่มีโอ้แสดงว่าปฏิปทาแย่มากเลยแย่มากเลย แสดงว่าเดินไม่ค่อยสงบสงเวยมเท่าไหร่ต้องฝึกให้สงบสงเวยมเขไปไหนก็ให้มีแต่คนภาวรนาโอ้โพระคุณเจ้าช่างดูงามเหลือเกินโยมขอภาวรนา น, นานๆจะได้เห็นผู้สงบสงี่ยมอย่างนี้สักทีหนึ่งต้องการอะไรให้บอกบางคนก็มีนะ พอเขาบอกว่านาเท่านั้นแหละโอ้ขอใหญ่เลยขอซะทุกอย่างพระพุทธเจ้าบอกบอกหลักการขอไว้นะขออย่างไรจะให้คนเขารักพระพุทธเจ้าแนะนํำวิถีไว้หนึ่งอย่าขอของรักอย่าขอของรักของห่วงเช่นเขามีปากกาด้ามหนึ่งสังเกตดูแลโอ้โหเขียนมาตั้งแต่เริ่มมาเรียนจนบัดเนี้ยไม่ยอมทิ้งเลยปากกาด้ามเนี้ยชอบมากขอปากกาด้ามนี้ซะอย่างเนี้ย อาจจะให้ได้ครับแต่เขาไม่ชอบครับนะอย่าขอของรักของห่วงสอง <c oughs> อย่าขอแม้แต่ของนั้นมีอยู่ครับหมายถึงว่าเรามีของนั้นแล้วอย่าไปขอสิ่งนั้นนะเช่นเรามีปากกาแล้วก็ไปขอปากกาเา้าอะไรนะเขามองมาดูอ้าวเมีอยู่มาขอทาไมอะ่อะนะก่อนจะไม่ชอบอีกสาม เขามีของค่าน้อยอย่าไปขอของค่ามากครับอย่าขอของเกินกำลัง <c oughs> แล้วก็สี่ของเ ข, ขามีของหยาบอย่าไปขอของประนีตเขามีแต่ของหยาบหยาบเช่นทุกคนในบ้านใช้แต่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดา แต่พระไปขอผ้าจีวรไหมอย่างเนี้ย ไ, <c oughs> ไม่ได้ เ, <c oughs> เขาอาจจะให้ได้แต่ไม่ชอบเพราะเอ่ยปากลั่นวาจาไว้แล้วอาจจะให้ได้แต่ไม่ชอบ <c oughs> ทีนี้ขออย่างไรละครับทีนะวิธีขอตรงข้ามวิทีว่าเมื่อกี้นะครับขอของที่เขาไม่ชอบครับ เออดีมั้งการกำลังจะทิ้งอยู่อ่าเขาจะชอบครับเราขอของแล้วเขาจะชอบกําลังจะทิ้งอยู่ก็ต่อไปขอของที่มีค่าน้อยครับขอของที่หยาบหยาบธรรมดาธรรมดาครับไม่ต้องไปขอของดีประเนีดมาก แล้วก็การขอทุกครั้งจะให้เขายินดีที่จะให้นะครับขอด้วยการพันธนาคุณของผู้ให้ครับขอด้วยการพันธนาคุณเช่นก่อนจะขอก็ชมกัอนอุย้ยหน้าตายังหนุ่มเลยยอมเกิติุญที่อายุเท่าไหร่เนี่ยหรือไม่ก็พันธนาคุณสั้นๆว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ขอเขายิ้มแล้วก็ขอปากกาด้ามนึงปฏิเสธไม่ได้อะไรวาจะไม่ให้ก็จะเขาเขาจะเกลียดเอาเนี่ยให้สักหน่อยให้ด้วยการสรรเสริญคุณทีขอต่อไปพิกขูนังทานังเทติพิกขูนังทานางเทติ ใครติย่อมถวายทานนังซึ่งทานพิกขูนนังแก่ภิกษุทั้งหลายถวายทานแก่ภิกษุทั้งหลายใครยังไม่เคยถวายทานบ้างอย่างเนี้ยไม่มีนะไม่น่าจะมีนะในโลกนี้นะ <c oughs> ถวายทานถวายทานแก่ภิกษุนี่แหละช้าพุทธะถวายทาน <c oughs> ก็เหมือนทั้งหมดให้ปัจจัยสี่แก่สมณะเรียกว่าถวายหมดอะไรก็ได้ใส่บาตรก็ถวายทานกั น, ก, นก็ให้อาหารบินทบาทไงปัจจัยถ้าถามว่าใครไม่เคยหิ้วกระป๋องเหลือง <c oughs> ๆมาถวาย อ, อย่างพอจะมีบ้าง <c oughs> <c oughs> มีไหมถามจริงใครยังไม่เคยหิ้วกระป๋องเหลืองๆสังฆทานมาถวายพระเลยมีไหม <c oughs> อืม มีอะยังมีอยู่นะยังมีเห็นไ ม, มไม่รู้จะถวายไปทำไมกระปอ๋องนะ้เหลืองต่อไปข้อยี่สิบสี่สมมณัสสะโกรจเตสัจจังสัจจังความจริงความสัตย์จริงโกรเจเตย่อมชอบสมมณัสสะแก่สมณะความจริงชอบแก่สมณะข้อยี่สิบห้าสุวรรณังอินังเตทางระยะเต ทางระยะเตย่อมทรงไว้สุวรรณนังซึ่งหนี้ทองสุวรรณนางอีนังวงเล็บเอาไว้อีนังไปวันหนี้สุวรรณนงไปว่าทองซึ่งหนี้ทองเตแก่ท่านเขารักษาหนี้ทองคารรไว้ให้ท่านหมายถึงว่าตอนมากู้ยืมเนี่ยยืมด้วยค่าของทองคาข้าพเจ้ายืมเงินไปลงทุนด้วยทองคํหนึ่งช่าง แล้วก็ได้ทองคําไปก็เอาไปลงทุนเวลาคืนก็ต้องเอทองคํามาคืนหนึ่งช่างนั่นแหละรักษาหนี้ไม่ให้ครับหนี้ทองคําครับถ้ายืมเป็นเงินก็หนี้เงินยืมเป็นข้าวเปลือกก็หนี้ข้าวเปลือกไม่เป็นกรรมกระตุธรรมดาเนี่ยเ <c oughs> ต้แก่ท่านทาลิยาเตทําไมเหรอ อ๋อเตะก็ธรรมดาเนี่ยถ้าสงสัยน่าจะสงสัยยะมากกว่ า, ะา ย, ยะนันยะปัจจัยครัทางเรติทางระยะติไงครับราทาง เ, เตาทางระยะเตะไงเป็นกระตูธรรมดานี่เองอ่ะดูต่อไปข้อยี่สิบหกพุทธศะศีลาคาเตพุทธศะศีลาคาเตศีลาคาเตแปลว่าย่อมสรรเสริญพุทธะ แต่พระพุทธเจ้าย่อมถวายความสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าศิลาคะเป็นเป็นธาตุเลยนะศิลาคะเนี่ยในอัตว่ากัฏทาเนในความสรรเสริญในความชมเชยในความยกย่องศิลาคะเป็นธาตุเลยศิลาคะธาตุศิล <c oughs> าคะในอัตว่ากัฏทเนกัฏทาเน กีฬาขัดทานในการสรรเสริญกัดถะก็ไก่ตอเตาท้อถุงน้องหนูนะ่ะกัดทานสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์อะไรอย่างเนี้ยต่อไปข้อ27สเจสุดท้ายก็คือคาถาว่า อุทานวโตสติมโตสุจิกร ม, มัสสนิสัมมะคางริโนสัญญตัสะจะธรรมชีวิโนอัปมตัสะยะโสภิวัติเป็นคาถามาจากธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาที่24ในฉบับบาลีหน้า20คาถานี้มีสัมปทานะเต็มคาถาเลย มียะโสอภิวัธิท่นั้นเป็นประธานและกิริยาคำอื่นนอกจากนั้นเป็นสัมปทานะทั้งหมดดูนะยะโสอภิวัธิเป็นสนธิตัดสนธิออกมาเป็นยะโสบวกอภิวัธิยะโสแปลทับศัพท์ว่ายศอภิวัธิแปลว่าเจริญแล้วเป็นอีอาชะตณนี อภิวัติย่อมจเจริญไม่ใช่จเจริญแล้วถ้ามีอภิแล้วอภิวัฏทัตแปลว่าเจริญอภิแปลว่ายิ่งมากดัง น, นั้นทั่วไปท่านจึงแปลว่าอภิวัติจะเจริญยิ่งแล้วจเจริญยิ่งแล้วคําอื่นนอกจากนั้นแปลว่าแก่แก่แก่แก่นั้นนั่นน่นะยะโสยศอภิวัติจะเจริญยิ่งแล้ว อุทานวตโตใส่ปุคขละสะเข้ามาก็ได้ในคําต่างๆพวกนี้ยอุทานวตโตสติมัโตสุจิกมัตส ะ, น, สะรรนิสัมมาการิโนสัญญตัสสะธรรมชีวิโนอปมตัสสะทั้งหมดนี้เป็นคุณศัพท์ทั้งหมดเลยเป็นคุณศัพท์ทั้งหมดเป็นวิเศษณ์ทั้งหมดดังนั้นเราก็ใส่ตัววิเศษยะเข้ามาก็คือปุคละสะ แกบุคคลแล้วก็ผู้ผู้ผู้ผู้ <c oughs> ปุกขลศะใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ใส่ไว้ใกล้ยโสพิวัินี่ก็ได้ปุกคลศะปุกคลศะแกบุคค ล, ลปุกคลศะเหมือนุริษัทศ ะ, ะปุกขลศะ เอาควายสองตัวเขียนปุคละขคเขียนปุขละไว้แล้วก็ใส่สะสะบางทีงงตัวไหนกี่ตัวเอาควายกี่ตัวสอเสือกี่ตัวปุคละคสะแก่บุคคลดูน่าจะแปลทีนี้ยะโสยศอภิวัติจงเริญยิ่งแล้วปุคละสะแก่บุคคลอุทานวะโตผู้มีความขยัน ผู้มีความขยันผู้มีความหมั่นเพียรผู้มีความเพียรถ้าจะไปาผู้มีความเพียรเดี๋ยวจะกลายเป็นประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้หมายถึงขยันทำมาหากินอุตฐานะวะโตผู้มีความขยันมั่นเพียรอย่างนี้ก็ได้สติมะโตนั่นเป็นคาถาจริงๆคือสติมะโตทีฆะ e เป็นอีเพื่อรักษาฉันเฉยๆนะสะติมะโตผู้มีสติ สติมันตุนั่นเองเราเรียนไวยากรณ์ผ่านมาแล้วเห็นมาแล้วสติมันตุผู้มีสติสติมตโตเป็นสะจัตุถียังไงเอาณตุกับสะเป็นโตนั่ไงใช่ไหมอุทานวัตโตเขเหมือนกันอุทานวันตัดอุทานวันตุสติมันตุก็เลยเอาณตุกับสะเป็นโตจึงมีรูปเป็นอุทานวัตโตสติมตโตผู้มีความขยันผู้มีสติ สุจิกรรมัตสะผู้มีการงานสะอาดหมายถึงผู้เลี้ยงผู้ประกอบอะไรนะสุจริตผู้ประกอบสัมมาชีพอาชีพสุจริตสุจินี่แปลว่าสะอาดสะอ้านกรรมะแปลว่าการงานผู้มีการงานผู้ทํางานสะอาดผู้ทํางานสุจริตนิสัมมาการณ์โนโ ก็คือนิสัมมากางรีอาเทศสะเป็นโนเหมือนเศรษฐิโนเหมือนกันนะการีโนเนี่ยผู้กระทําผู้มีผู้มีปกติใครครวนแล้วจึงทํานิสัมมะแปลว่าใครครวนแล้วกางรีแปลว่ามีปกติทำเข้าสมาดกันมิเป็นนิสัมมะนิสัมมาการีผู้ ใครครวนแล้วจึงทําส่วนโนกลงมาสะเป็นโนก็เพื่อเป็นวิเศษณนะของปุขละศาสตร์นั่นเองอันนี้เป็นวิเศษณนะไม่ต้องแปลว่าแก่แปลว่าผู้เลยผู้ใคร่ครวนแล้วจึงทำหรือจะแปลสั้นๆว่าผู้ใคร่ครวนก่อนทําคิดแล้วคิดอีกค่อยลงมือทําคิดแล้วคิดอีกค่อยเอ่ยปากพูด ไม่ใช่ใจพึบออกมาก็พัวออกมาเลยทําเลยพูดเล ย, ยไม่ได้ต้องคิดให้ถี่ท่วนต่อไปสัญญาตัดสะสัญญาตัดสะแปลว่าผู้สำรวมผู้สำรวมดีแล้วสัญญาตะผู้สำรวมดีแล้วก็คือผู้สงบเสงี่ยมเจียมตนนั่นเองอะ่ะไม่ถนองตัวไม่เยื่อยิ่งไม่อวด อย่างมาเรียนบาลีแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่อวดว่านี่ไปเรียนบาลีใหญ่มาเนี่ยเนี้ยดูหน้าสิไม่ต้องไปอวดคูมิเขาว่าไปเรียนอะไรมาเดี๋ยวเขาก็ะลำพึงมาเออจริงสินะพวกเรียนบาลีใหญ่สนมากมักจะโอดนะ มักจะอวดเห็นใครเรียนอะไอย่างมักเขอวดเขาจะได้ว่าเอาอย่างนั้นต่อไปธรรมชีวิโนธรรมชีวิโนคือธรรมชีวีโนตัวนี้ก็าสะเป็นโนเหมือนเดิมนั่นแหละธรรมชีวีแปลว่าผู้เลี้ยงชีพผู้เลี้ยงชีพโดยชอบทำ <c oughs> ผู้เลี้ยงชีพโดยชอบทมก็คือไม่ผิดศีลไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนเขาเลี้ยงชีพ ไม่ฉกฉวยโอกาสช่อโกองไม่โกหกหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพโดยธรรมอภมัสสะผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทจากเข้าไปว่าและเล ะ, ล ะ, ละยศเจริญยิ่งแล้วแก่ผู้ขยันผู้มีสติผู้ ทำการงานสะอาดผู้ใครครวญก่อนทําผู้สำรวมดีแล้วผู้เลี้ยงชีพโดยทําและไม่ประมาทคาถานี้เล่านิทานก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตราัสคาถานี้ให้ใครฟังพระพุทธเจ้าตราัสคาถานี้ให้แก่พระเจ้ากรุงราชคฤห์คือพระเจ้า พระเจ้าพ่อของพระเจ้าโศกชื่อว่าไม่ใช่พมทัศนพมทัศน์นภาราสีอดีตการ์ น, นั้นอ่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารพ่อของพระเจ้าโศกนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่โศกพระเจ้าอาชาติศัตรูขออภัย <c oughs> พ่อของพระเจ้าอชาติศัตรูพระเจ้าโศก ที่กรุงราชชึกเวลานั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวงรุวันเขตกรุงราชชึกเย็นวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารพาบุรุษผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้มีความขยันหมั่นเพียรตามคาถานี้เลยผู้มีสติผู้มีการงานสะอาดใครครวรแล้วจึงทํา เป็นผู้สำรวมสงบสงเวยมเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทมโโดลดลงนิดเนึ่ถึงขนาดนี้มีอยู่บ้างไหมถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์บอกว่าอ้าวก็มหาบาพิตรได้พบแล้วไม่ใช่หรือ นั่นน่ะสิพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้พาบุรุษผู้นี้มาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรกันล่ะทรงทราบอยู่แต่ก็ถามเป็นอย่างไรพระเจ้าพิมิสารจึงเล่าเรื่องของบุรุษผู้ที่พาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังว่าย้อนหลังไปสิบสองปี ที่กรุงราชคฤห์เวลานั้นเกิดอหิวาตักระโรคอะฮวาตักะโรคแปลว่าอะไรฮะท้องร่วมท้องเสียอย่างแรงอะฮวาตักะโรคเนี่ยนะเขาเรียกว่าโรคระบาดโรคลมพิษโดยความหมายโรคลมพิษโรคหา คนโบราณเวลาเขาด่าลูกหลานขอให้หามากินตับกินไตอะไรโรคขาหรือโรคระบาดเขาเรียกว่าโรคลมพิษเป็นยังไง <c oughs> ท่านใช้คําว่าอะฮิแปลว่างูพิษงูพิษร้ายเช่นงูเหา่างูจงอางงูอะไรก็ตามที่มีพิษรุนแรงเนี่ยเรียกงูชนิดนั้นว่าอะฮิอะฮิจาพวกงูพิษที่มีพิษรุนแรงฉับพลัน โฉกกัดไครตายภายในวันนั้นโรคชนิดนี้ก็เหมือนกันถ้าโรคละ บ, บาดไปถึงไหนโรคเข้าสู่ร่างกายใครได้นะจะต้องตายภายในวันนั้นเลยไม่ต้องไปตามหมอมารักษาพอรู้ว่าเป็นโรคชนิดนี้ตายแน่นอนอุ้ยร้ายแรงนะร้ายแรงกว่าโรคซาร์สอีกแล้ว <c oughs> ที่บ้านของขหบดีท่านหนึ่งฐานะมั่งคัง่งมีซับแอบฝังรั์สินเอาไว้จะขี้เหนียวหรือไม่ขี้เหนียวไม่รู้นะบาลีท่านไม่พันนาเก็บซับฝังไว้ใต้ดินใต้ถุนบ้านเนี่ยนะ40โกรดกระหาปณะนะส่วนใช้ใช้สอยรายวันไม่รู้กี่เท่าไหร่นะแต่ว่ารับที่เก็บเก็บเก็บเก็บ ใส่หีบเหล็กแล้วก็ฝังไว้ฝังไว้เนี่ยนะสี่สิบโกดถ้าจะนับว่าสี่สิบโกดเรดมันมากเท่าไหร่ <40. S 1> ถ้ามันเป็นตั๋วเงิน <c oughs> มันก็คงมีใบเดียวสองใบนยแต่ว่าอันนี้มันคือทรัพย์สินจริงๆสร้อยแหวนเงินทองเงินงเป็นก้อนๆทองคาเป็นก้อนๆเก็บใส่หีบเหล็กแล้วก็ฝังใส่ใต้ดินเอาไว้สี่สิบโกดเนี่ยกองใหญ่เพือเนินเทินทึกนู่นแหละคงใส่จะไม่พอเก็บห้องเนี้ย ไม่พอเก็บคงจะล้นห้องนี้แน่เนี่ยสี่สิบโกดเนี่ยโกดหนึ่งก็ประมาณสิบล้านสี่สิบโกดก็สี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านถ้าเป็นเงินแบงค์ละพันห้องนี้มันก็เก็บไม่เต็มหรอกเนี่ยไม่ถึงครึ่งห้องเลยซ้ำแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเงินไงมันเป็นทรัพย์มันเป็นทรัพย์สินเป็นสร้อยแหวนเงินทองเครื่องอะไรต่ออะไรต่าง นาถนาินิกะที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นห้องเก็บทรัพย์สักทีขึ้นไปอยู่แต่ว่าไม่รู้ตรงไหนคือห้องเก็บทรัพย์อออพอฝังไว้วันที่อะฮิวาตตะโรคลบาทมาถึงบ้านของสวยเศษฐีท่านเนี่ย บาลีท่านบอกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยตั้งแต่แมงหวี่แมงวันตายก่อนไล่มาจนถึงวัวควายช้างมา้าสัตว์ใหญ่ตายทีหลังมาจนถึงทาตกรรมกรเจ้าของบ้านโดนทีหลังเพราะอยู่ในที่รักษาอย่างดีเศษฐีกับภรรยาโดนพิษนี้เข้าแล้วรู้ว่าตอนนี้พิษมันเข้าสู่ร่างกายแล้วรีบเรียกลูกชายมาสั่งเสียว่าลูกโบราณเขาว่าไว้ว่า ถ้าโรคนี้ระบาดมาถึงไหนคนอยากจะมีชีวิตรอดต้องโดดออกกำแพงฝางเรือนหนีเท่านั้นนะถึงจะรอดได้โดดทะลุกำแพงฝางเรือนแล้วก็วิ่งหนีทางหลังบ้านเพราะโรคมันมาทางหน้าบ้านลมมันโชยไปถึงไหนโรก็ไปถึงนั่นถ้ารู้ว่าโรคมาใกล้แล้วต้องโดดอย่าออกสวนออกทางประตูเพราะโรคมันเข้ามาแล้ว <laughs> เดี๋ยวชนกับโรค <laughs> ต้องทะลุฝางเรือนโดดหนีหลังบ้านไปเลย ลูกก็ได้ยินพ่อแม่สั่งอย่างนั้นก็ร้องให้ค้ำควรไม่ไปไม่ไปต้องไปลูกต้องไปถ้าไม่ไปเดี๋ยวเราก็ตายด้วยกันหมดพ่อฝังทรั์เอาไว้ตรงนี้เอาเอาลูกเอาลายแทงไปพอโรคระบาดมันสงบแล้วค่อยกลับมาคุดเอาทรั์นั้นใช้สอยเถอะลูกได้ลายแทงพ่อเขียนให้แล้วก็กระโดดทะลุหน้าต่างออกนอกบ้านหนีไปอยู่ในป่า สิบสองปีผ่านไปเป็นหนุ่มใหญ่หนวดเขาขึ้นลุงลังเหมือนแขกอินเดียเ <c oughs> พราะเรียน อ, อยู่ที่อินเดีย <c oughs> กลับมาอีกทีไม่มีใครจำได้เลยเพราะคนที่เคยรู้จักอะไรกันก็ล้มหายตายจากไปมากแล้วกลับมาตอนเป็นหนุ่มใหญ่ใครก็จำเขาไม่ได้ <c oughs> เขาก็มาเดินดูตามลายแทงขุมทรัพย์บ้านเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไปเห็นแต่ป่าโรครราง อ๋อตรงเนี้ยคือที่ของพ่อเราลองไปขุดๆ ด, ดูอทรัพสมบัติยังปลอดภัยดีหนูก็ไม่กัดก็เลยครั้นจะขุดเอาทรัพย์ขึ้นมาใช้แล้วก็ประกาศให้คนรู้ว่าเราคือลูกของคู้นั้นผู้นี้มีเงินมีทองคงไม่มีคนเชื่อแน่เลยดูสิดูตัวเราสิหนวดเคราลุงลังผ้าขาดุดลุวย มีแต่คนเขาจะมาแย่งเอาเงินใครใครก็ไม่รู้คนจอนจัดมาจากไหนเจอขอุมทรัพย์เร็วมาช่วยกันเอาก็มีแต่คนจะพูดอย่างเนี้ยคงไม่มีใครเชื่อแน่ว่าเป็นของตนก็เลยไม่ทําอะไรกรบเอาไว้อย่างเก่าแล้วก็เดินมาเที่ยวไปสมัครงานตามตรอกซอกซอยว่าใครต้องการคนงานทําอะไรบ้างเวลานั้นก็มีตรอกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่รับคนงานทํางาน ไปสมัครงานเขาก็รับไว้ว่าถ้าเจ้าทําได้ก็มาทํางานเถอะให้ทําอะไรคนจ้างเขาก็บอกว่าไม่ได้ทาอะไรมากหรอกเป็นยามเป็นยามยามจริงๆนะไม่ใช่ยามยืนเฝ้าประตูบริษัทห้างร้านอะไรนะยามอะ่ะคือคอยตีงะระกคังบอกเวลาพอหนึ่งยามผ่านไปก็ตีระกครังป้งแป้งตะโกนบอก พอธมายามผ่านไปแล้วใครยังไม่ได้นอนรีบนอนพอมัชชิมยามผ่านไปแป้งแป้งมัชชิมยามผ่านไปแล้วใครจะต้องรีบเดินทางไกลก็รีบตื่นตะโกนบอกอย่างเนี่ยบอกยามนั่นแนหะยามก็คือบอกยามไงไม่ใช่ ร, ปรอรปภรอปภคนเลยอันกับยามยามก็คือบอกยาม อยากบอกเวลาเคาะระฆังบอกอยามบอกเวลาพอเขาสอนวิธีแล้วเออเออทำได้ทาได้อาทำไ ด, ออทำได้ทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะให้ค่าจ้างพอซื้อข้าวกินไปวันๆแกเขารับจ้างทำไปเขาก็เลยให้เรือนที่ว่างๆอยู่หลังหนึ่งให้เป็นที่อาศัยชั่วคราว อ, อ้าวเจ้าไปอยู่บ้านหลังนั้นแล้วกันไม่มีคนอาศัยอยู่ไปอยู่วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสาร ตื่นจากบรรทมแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงเจ้าคนนี้มัชมยามผ่านไปแล้วคนจะเดินทางไกลรีบตื่นแม่บ้านรีบตื่นหุงข้าวหุงปลาลองไปตามซอยนะพระเจ้าพิมสารได้ยินเสียงอย่างนี้เสียงคนมีเงินเนี่ยเสียงคนมีเงิน นโยงมเกียรติพลร้องดูสิมารีท่านพัณนาว่าธรรมชาติของพระเจ้าพิมิสารเนี่ยรู้เสียงสัตว์ร้องรู้ว่าร้องอย่างเนี้ยต้องการอะไรพ่อง่ายว่าเป็นผู้เก่งในการจำแนกเสียง เสียงคนมีความทุกข์เสียงคนมีความสุขเสียงคนจนเสียงคนรวยพระเจ้าพิมิสารฟังรู้หมดเลยเก่งในการฟังเสียงพอรุ่งเช้าวันนั้นได้ยินเสียงเจ้าคนนี้ตะโกนบอกปีลระครังแป้งแป้งไปเนี่ยฟารบขึ้นมานี่มันเสียงคนมีทรัพย์มากพัสนมที่อยู่ใกล้พระเจ้าพิมิสารได้ยินเอในหลวง ตรัอะไรออกมาเนี่ยน่าจะเป็นจริงเรียกทหารคนหนึ่งมาบอกว่ า, วาเจ้าไปสืบดูซิว่าคนเนี้ยเป็นใครทหารวิ่งไปไปถามถามโน่นถามนี่นีน่วิ่งกลับมาบอกโอ้เป็นคนยากจนคนหนึ่งกัมพา้าพ่อกัมพา้าแม่ด้วยรับจ้างเขาประกาศบอกเวรยามอยู่ตรงนั้นอ๋อเอาแล้วไปตื่นเช้าวันหลังมาอยู่พระเจ้าพิมิสัน ได้ยินอีกเสียงคนนี้มันเสียงคนมีเงินจริงๆนะพระสนมได้ยินใช้ยทหารวิ่งไปดูอีกคนเดิมพระเจ้าข่าคนเดิมไอ้คนที่กําพาพ่อกําพาแม่รับจ้างเขาเข้าเวรยามไม่มีอะไรหรอกวันที่สามพระเจ้าพิมสานก็ตรัสอย่างนั้นอีกพระสนมเอในหลวงตรัสซ้ำกันถึงสามครั้งอย่างนี้แสดงว่า คนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยเลยเข้ากราบทูลพระเจ้าพิมิตสารว่าขอเดชะหม่อมหม่อมชั้นขออาสาขออาสาไปสืบดูถ้าบุรุษผู้นี้เป็นคนมีเงินจริงหม่อมชั้นจะพาเข้ามากราบทูลเฝ้าพระองค์ให้ได้จะเปิดเผยทรัพย์ของเขาให้ได้ว่าเขามีทรัพย์เท่าไหร่ขอให้ในหลวงพระราชทานทรัพย์สักหนึ่งพันกหาปณะเป็นค่าใช้จ่าย พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ราชธานทรับหนึ่งพันกะหาปณะให้แก่พระสนมพระสนมรีบกลับตำหนักชวนพระธิดาชวนธิดาของตัวเองสาวสวยกาลังสวยไปลูกแม่จะพาไปทำงานไปเลยพากันแต่งตัวมอมแมม เอาขี้เท่าขี้อะไรทาถูตัวให้มันมอมแมมเหมือนคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็ข่าเสื้อผ้าธรรมดาเหมือนชาวบ้านผ้าขาดวิ่นลองแรงธรรมดาเนี่ยเหมือนคนยากไร้เนี่ยเดินทางมาที่นี้พะสนมเนี่ยผู้คนตามย่านร้านตลาดไม่เคยเห็นหน้าหรอกเขาอยู่แต่ในรั้วในวังพอออกไปก็เหมือนคนต่างถิ่นแปลกหน้ามาก็เที่ยวไปถามคนโน้นคนนี้เดินไปที่สออตรอกนั้นโดยเฉพาะเลย ไปถามมาว่าดิฉันกับลูกสาวเดินทางมาไกลขอพักบ้านใครว่างพอพักได้ขอพักไ ด, ขกได้ขอพักอาศัยด้วยสักคืนสองคืนจะได้ไหมแล้วจะเดินทางต่อไปเมืองอื่นไปถามบ้านนี้เขาก็ไม่ให้พักไปถามบ้านนน้นเขาก็ไม่ให้พักไปถามบ้านหนึ่งเขาบอกว่าอุย้ยป้าถ้าอยากพักจริงๆมีอยู่บ้านหนึ่งอยู่คนเดียวนู่นนู่ น, น, นบ้านเจ้านุนเจ้านุนนู่นบ้านเจ้ากุมภะ บ, บ้านเจ้าโคโสกะตตั้งแต่วันที่กลับมาแล้วไปรับงานโฆษณาไอ้ประกาศบอกยามเขาเนี่ยชื่ออะไรก่อนหน้านั้นไม่เคยเขาก็เลยเรียกว่าโคสกะเจ้าโคศกเที่ยวประกาศเปลา่ปลาเปาทุกวันทุกวันเขาก็เลยเรียกเจ้าเจ้าโคโสกะเจ้าโคโสกัตก่อนหน้านั้นไม่รู้ชื่ออะไรชื่อโคสกะเขาก็เลยบอกนู่นบ้านเจ้าโคสกั นอนอยู่คนเดียวคงจะมีพอที่จะพักได้บ้างสองแม่ลูกก็เดินทางไปที่บ้านเจ้าโคสะกะไปขอบอกว่าป้าขอหนวนนอนโดยสักคืนเดินทางไกลอุ้ยไม่ได้หรอกป้านี่ไม่ใช่บ้านผมบ้านเจ้านายเขาให้พักนะสนมก็อ้อนวอนขอเถนะขอพักด้วยคืนหนึ่งเดินต่อไปไม่ไหวแล้วไม่รู้จะไปพักที่ไหนไปเมืองอื่นก็คงไม่ทันแล้ว เห็นว่าไม่มีที่ไปจริงๆก็เลยเอางั้นให้พักคืนเดียวนะคืนเดียวนะเอาคืนเดียว <c ười> คืนเดียวตกกัางคืนมาก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาพระสนมเข้าไปหาว่านี่พ่อก่อนออกจากบ้านเจ้าจ่ายเงินไว้สิป้าจะทําอาหารไว้คอยกลับมาจะได้มีอาหารกินป้าทําอาหารเป็นนะทําอร่อยด้วยนะจะหลอกเจ้าหนุ่มก็ควักเงินไว้ให้หน่อยนึง เท่าที่รับจ้างมาได้แต่ละวันนั่นแหละก็ไปประกาศเหมือนเดิมกลับมาพระสนมลูกสาวช่วยกันจัดแจงข้าวปลาอาหารเอาทรัพย์ที่นำติดตัวมาทรัพย์ที่นายโฆษกใหนะ้เก็บเอาไว้เอาทรัพย์ที่นำติดตัวมาไปซื้อของตลาดมาทําอาหารกับข้าวกับปลาสองสามอย่างสูตรอาหารเหมือนชาววังเลยเป็นสูตรอาหารชาววังโดยเฉพาะเพอออกมาจาก ว, วัง ทำอย่างอื่น้เป็นอยู่แล้วปาลาสัพทำให้เป็นมาจ้องหน้าผมอยู่ท่านเลมีปลาราสัพหรือเปล่าเอ๊ะปลาล่าสัน่นพอทำอาหารไว้เจ้าโคสกะกลับมามา ยกสําหรับมาให้กินโอ้อร่อยฮะแม่สองแม่ลูกทําอาหารอร่อยพอเจ้าพอกจกินอิ่มหน้ายิ้มแย้มเบิกบานแล้วป้าก็เลบอกว่านี่พ่อหนุ่มป้าขอพักต่ออีกสักคืนจะได้ไหมยังไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินทางต่อเลยคิดว่าเออจริงๆสองแม่ลูกก็ทำอาหารอร่อยนะเอองั้นให้พักอีคืนเดียวนะอีกคืนเดียวคืนเดียวก็ทําอย่างเนี้เลื่อยไปพอครบคืนหนึ่งแล้วก็ขอพักอีกคืนนึงไปเรื่อยนะ สองสามวันผ่านไปเอามีดมาตัดขาเตียงตัดขาเตียงที่เจ้าโคสกะนอนอ่ะสองแม่ลูกก็ไปนอนอีกเตียงหนึ่งเจ้าโคสกะนอนในเตียงหนึ่งในบ้านเดียวกันเสองแม่ลูกตอนเจ้าโคสกะไปทํางานก็เอามีดมาเสียมขาเตียงแล้วตัดเชือกตัดทุกอย่างอ่ะที่มันโยงกับเตียงอยู่ตัดตัดตัดตัตัดตกมาคืนหนึ่งเจ้าโคสกะมานอนเตียงมันหักฟุบลงไปเลยยุบไปเลยกลางดึก ร้องโยวยวายป้ากับลูกเนี่ยมาอยู่เนี่ยพร้อมทำให้ค่าเดือดร้อนจะไปไหนก็ไปสะทีว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วลูกมันดึกแล้วไม่รู้จะไปไหนเอางี้แล้วกันถ้าไม่มีเตียงนอนก็ไปนอนกับน้องไปแล้วก็บอกลูกสาวอ้าวลูกทำไมไม่เรียกพี่เขาไปนอนล่ะ ลูกสาวลูกสาวก็ขยับเบี่ยงไปหน่อยหนึ่ง<ๆ>ก็บอกว่ามานอนที่นี่ก็ได้เจ้าโคสกามันดึกแล้วเพราะว่าบ้านคนอียิปต้องเข้าใจนะถ้าไม่มีเตียงนอนก็คือนอนกับดินเลยนอนกับดินไม่มีเตียงนอนก็คือนอนติดดินไม่มีอะไรเพราะมีพื้นแม้แต่บ้าน2ชั้น3ชั้นแม้แต่ปราสาทเชั้นนะพื้นเนี่ยก็คือดินนะเพราะบ้านแถบเขาหิมาลัยเนะี่ยเขาจะมักนิยมโบกดินพื้นก็ดินเพราะมันจะทําให้อบอุ่น ดิจริงๆเพราะจะมาไปเห็นที่เนปาลมาแล้วปราสาทเจ็ดชั้นเราก็คาดว่าคําว่ า, วาปราสาทนี่โอ้โหหลังใหญ่โตมโหฬารหลูหลานนะแต่พอไปเห็นปราสาทเจ็ดชั้นก็คือบ้านธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามีมีชั้นเจ็ดชั้นแต่และชั้นเตี้ยๆบางชั้นเนี่ยต้องก้มเข้าอย่างเนี้ย <c oughs> ปูไม้กระดานเสร็จแล้วเอาดินเนี่ยปูทับอีกทีหนึ่งแม้แต่ชั้นที่เจ็ดก็ปูดินปูดินเพราะเขาบอกว่าถามกันเอาบ้าน สูงขนาดนี้ทําไมเอาดินมาปูเขาบอกว่ามันอุ่นทให้ปูดินนอนไม่ได้ดินเนี่ยมันจะรักษาไม่ให้อุณหภูมิความเย็นภายนอกนะ่าเข้ามาโบกดินปูดินนั่นแหละถ้าไม่มีเตียงนอนก็คือนอนติดดินนั่นแหละนั้นพอเตียงหักแล้วก็ไม่มีที่นอนพอลูกสาวขยับให้นอนจากโคสกะนอนก็นอนตื่นเช้ามาเรียบร้อยแล้วนะลูกสาวก็แกล้งร้องให้ ว่าเป็นอะไรลูกว่าหนูมีสามีแล้วพรอมนางสนมผู้เป็นแม่ได้ยินอย่างนั้นก็อื้อก็ดีแล้วล่ะเจ้าจะได้มีสามีพ่อหนุ่มเขาก็จะได้มีภรรยาคอยดูแลไม่ว่าอะไรแม่ทางนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าก็อยู่กับพี่เขานี่แหละหลังจากนั้นเป็นต้นมา อีกสามวันพระสนมส่งสารไปหาพระเจ้าพิมิสารให้รับสั่งว่าขอให้คนในตำบล น, นี้ทั้งหมดเนี่ยจัดงานมาระรสพสมโพธในวาระอะไรก็ช่างว่ามาเลยให้ทุกบ้านจัดมหรสพ บ, บ้านไหนไม่จัดปรับสินใหม่เพื่อจะหาอุบายล่วงเอาเงินเอามาใช้ทหารก็ตีห้องร้องปากก็จ้องงองจองงอง จ, องงองจงาเอ้ยไป บ้านนี้เมืองนี้เหมือนลิเกเลยนะบ้านนี้เมืองนี้ในหลวงรับสั่งให้จัดงานมรอยรศครบงานบ้านไหนไม่มีมหรสพครบงานจะถูกปรับเป็นเงินหนึ่งพันช่างหนึ่งพันกหาพระนะไม่ใช่หนึพันช่งหนึ่งพันกหาพระนะเจ้าโคสกะได้ยินตายตายตายตายตายตายแน่ตายแน่งานนี้จะไปเอาเงินที่ไหนมาจัดงานแม่ก็บอกว่าโทรลูก คนเกิดมาใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยการเป็นหนี้เป็นสินมันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าก็ไปกู้หนี้ยืมสินใครมาก่อนก็ได้เราหาเงินได้ค่อยนำไปคืนเขาไม่งั้นจะถูกปรับเจ้าโคสกะก็พอได้ยินอย่างนี้ไม่รู้จะทำไงอ่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะไปหาดูแอบไปที่ดินรกร้างตัวเองเป็นงัดหีบหนึ่งหีบเอาเงินมาหนึ่งกระหาภณะนะ มาจ้างมหรสพทําประปปล้ำบนหน้าบ้านจ้างมหรสพมาเล่นโดยนางสนมรับภาระจัดการให้หมดเจ้าโคสกะจ่ายตั้งอย่างเดียวพอเงินกรหาระพนามาจ่ายพระสนมเก็บกรหาระพนานี้ส่งเข้าวังทันทีเลยแล้วเงินที่เตรียมมาเนี่ยมาใช้จ่ายสามครั้งพอครั้งที่สมส่งไปเลยส่งข่าวไปหาในหลวงบอกว่าให้คนมาเชิญ นายโคศกากนี้เข้าวังได้เลยในหลวงรับสั่งให้ทหารออกมาถามหานายโคศกากอยู่บ้านไหนมาบอกข่าวว่าในหลวงมีรับสั่งให้เจ้าเข้าเฝ้าวันนี้เดี๋ยวนี้ว่าอุ้ยไปทำไมในหลวงไม่รู้จักข้าข้าก็ไม่รู้จักในหลวงซะหน่อยนึงไม่ยอมไปพืชทัศทหารเลยรวบตัวจับไปเลยพระสนม กับลูกสาวรีบเดินนำหน้าไปก่อนแต่งตัวรอเฝ้าในหลวงอยู่ในวังโคสกะถูกจับเข้าไปพระเจ้าพิมิสารตรัสถามว่าพ่อหนุ่มเจ้าทำไมปกปิดตัวเองไว้ไม่เปิดเผยสักทีนายโคสกะงงเรื่องอะไรพระเจ้าคะ่ะเรื่องเจ้ามีทรัพย์ไง เจ้ามีซับมากทาไมปกปิดวเราเอาไว้ไม่เปิดเผยนายโคสกะบอกไม่มีค่าพระองค์ไม่มีเลยแม้แต่กหาพนะเดียวเอางั้นนี่เงินสามกหาพนะนี่ของใครคนนายโคสกะเห็นจําได้อกยตายเงินเรานี่เงินเราเป็นเงินเก่าด้วยสิบกว่าปีที่แล้วมันเป็นเงินเก่ามันไม่เหมือนเขาใช้ทุกวันนี้แล้วอ่แล้วนี่เงินใครเงินค่าพระองค์เองอ่า ไหนว่าไม่มีเงินไงเจ้าเปิดเผยมาว่ามีเงินเท่าไหร่บอกว่าไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ทำไมข้าพระองค์ไม่มีที่พึ่งเลยถ้าเปิดเผยมาก็จะต้องถูกคุกคามแน่พระราชาเลยยืนยันว่าเราเป็นที่พึ่งให้เจ้าได้ไหมบอกว่าถ้าพระองค์จะเป็นก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นที่พึ่งให้เจ้าเองเจ้าเปิดเผยมาว่ามีเงินเท่าไรบอกว่ามีสี่สิบโกทพุทธเจ้าค่ะ พระราชาถามว่าถ้าจะขนเข้ามาในวังใช้พาหนะเท่าไหร่จรึงจะขนหมดนายโคสกะบอกว่าใช้เกวียนประมาณร้อยกว่าเล่มพระจ้ค่ะพระราชารับสั่งไปเลยบอกว่าทหารไปขนซั์ของนายโคสกะนี่มาอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทหารก็รีบเกณฑยยานพาหนะเกณฑ์นผู้เกณฑ์คนไปขุดคน้นขนซั์มาได้ร้อยห้าสิบเล่มเกวียน เป็นหีบพีบหีบหีบเนี่ย น, นะขนมาทั้งหีบมากองไว้หน้าราชมนเทียนพระราชาส่งทหารไปตีคล้องร้องเปล่าเรียกคนที่มีฐานะทั้งหมดในกรุงราชคฤห์เข้าประชุมด่วนตรัสถามว่าคนในเมืองราชคฤห์นี้มีใครมีทรัพย์มากกว่านี้บ้างไหมทุกคนบอกไม่มีใครมีทรัพย์มากถึงขนาดนี้เลยพระราชาเลยถามว่า คนที่มีทรัพย์มากอย่างนี้ควรจะทําอะไรกับเขาทุกคนรีบเสนอคนโน้นอย่างนี้นี่แต่ส่วนใหญ่เสนอว่าควรตั้งไว้ตําแหน่งเศรษฐีพระเจ้าค่ะคนมีทรัพย์มากควรตั้งไว้ในตําแหน่งเศรษฐีพระราชาเห็นเสียงส่วนใหญ่ว่าควรตั้งไว้ในตําแหน่งเศรษฐีจึงรับสั่งตั้งลงไปว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายโคสกะนี้เป็นเศรษฐีประจํากรุงราชคือแล้วก็พระราชาทานเครื่อง อะไรต่ออะไรให้เยอะๆหมดให้สร้างปราให้ให้สร้างตำอะไรนะให้สร้างปราศาตให้สร้างคฤหาสน์ให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยกทิดาพระสนมให้เป็นภรรยาให้ที่แปลงหนึ่งสร้างบ้านให้ยกภรรยาให้แล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเศรษฐีดังนั้นตั้งแต่วันนั้นมาชื่อของเขาก็เลยเพิ่มกุมภะลงไปด้วยกุมภะแปลว่ามัเงินมั่ทองครั มสมบัติเลยได้ชื่อว่าก <acceptable> ุมภโคสกะตั้งแต่วันนั้นมาชื่อว่ากุมภโคสกะเศถียีจึงปรากฏขึ้นพอพระเจ้าพิมิสารเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ถวายพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสรับรองว่าจริงอย่างนั้นมหาบอพิษบุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรคาถาเนี่ยนะบุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติระมัดระวัง ทำการงานสะอาดไม่คดโกงพิจารณาก่อนค่อยทําก็คือพิจารณาแล้วว่าถ้าทําไปเนี่ยจะมีอันตรายก็ไม่ทําพิจารณาแล้วก็เลยรลบบซ้อน <c oughs> แล้วก็มีความสํารวมตัวสงบสงเเหน่งไม่อ้วอวดนะแล้วก็เลี้ยงชีพโดยชอบทำแม้แต่มีเงินสี่โกดแต่ไปรับจ้างเขาเป็นยามได้วันละกะหารณะนะสองหาปณะนะอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็อปมาตสะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างนี้แหละ ยศจึงเจริญยิ่งถึงขนาดนี้ได้รับตำแหน่งมหาเศรษฐีประจำเมืองพระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาว่าอุทานวโตสตีมะโตสุจิกรรมัสสนิสัมมากางริโนสัญญาตัสจธรรมชีวิโนอปมัตตัสะยะโสพิวัติอยู่นี่ใครมีเงินเกินหนึ่งโกดมั้ง <c oughs> <c oughs> ยงเกียรติพลก็ร้านเดียวมีถึงโกรธคือคำว่าซับกระหับประนาสมัยโน้นถ้าจะตีเทียบค่าเนี่ยมันปัจจุบันมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบได้แต่จํานวนตัวเลขว่าสิบล้านสิบล้านสมัยโน้นกับสิบล้านสมัยนี้ ทำเงินสิบล้านน้นมายังอยู่มาเทียบกับเงินสิบล้านทุกวันนี้มันมันตีราคาเทียบกันไม่ได้แค่เงินเหรียญผ่านไปแค่ห้าสบหกสปีขายได้ตั้งพันสองพันบาทเหรียญเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังอะไรแล้วแล้วคนนี้จะเป็นคนเดียวกันกันกบที่ตายไปเป็นเกิดเป็นร้าอ๋อคนละคนครับอันนั้นโคส ก, กะคนละคน เอาละทีนี้กลับมาแปรรู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยคาหาปะหัะเลยสมัยนั้นก็ถ้าเทียบกับเงินบาทเลยมันไม่มีบาทให้เทียบอสิสมัยนั้นมันมีแต่ค่าวาคหาปหนญะเป็นมาศกเป็นทหาปะหัะ <c oughs> อ๋อธรรมาก็ยืนยันไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเป็นค่าการนับของที่มันมีค่า อย่างคณับอย่างบ้านเราก็นับสตังกับบาทอย่างเนี้ยนะอันนั้นก็นับว่ามาศ ก, กับกะหาปณะกับบาทมีสามคำบาทก็อะไรนะค่ามาศเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งกะหาปณะอันถ้จะเทียบทุกวันนี้ไม่รู้จะนับเทียบกับอะไรจะเทียบว่าสตังบาทอย่างนี้มันก็ของเงินแต่ว่ามันเป็นค่าเงินสกุลเงินกระหาปณะเป็นสกุลเงิน นับที่หาพนธะค่าจ้างวันหนึ่งไม่ถึงจะหาพะนะันธุ์ใช่ห่างกันสิบสองปีก็มีค่ามากขึ้นอาจจะเป็นเงินที่เงินสมัยก่อนเป็นเงินจริงๆนะอาจจะเป็นก้อนเงินเป็นก้อนเงินใช่แบบนั้นแหละเงินจริงๆเป็นทองจริงๆอย่าง ปิดหนี้หนี้ทองอย่างนี้ใช่ไหมก็คือไปยืมทองคำมาหนึ่งแท่งก็ต้องหาทองคำคืนเขาอ่ะแปลตรงนี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งมามนุษย์ศากศทานังเทนติอ่านแล้วก็แปลมนุษย์ศากศทานังเทนติมนุษย์ทังหายม ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีดูนะข้อหนึ่งท่านถวายทานแก่ใครมีท่านด้วยคำว่าท่านกับคำว่าถวายต้องให้ตรงกันตะวังถวายว่าไงถวายถวายถวายะตะวังอ่ะตะวังเทิ เทสิตะวังเทสิทานา่ะทานทานนงแกใครเรียงประโยคให้ถูกว่าตะวังกัตสะทานังเทสิข้อสองคำจริงเป็นที่พอใจแก่สงหรือไม่ก็ เ, เอารูปจติเอาไว้ข้างหลังว่า สัจจังสังคสระรุจจติอ่าข้อ3กรรมไม่เป็นที่พอใจแก่สงนักธรรมตินักรุจจตินักรม ต, ม ต, ม ต, ม ต, มติเอาไปไว้ข้างหลังก็ได้ว่ากรรมังสังคสระนักธรรมติไว้น่าก็ได้ไว้หลังก็ได้ ขอ 4, อ้อสี่รสอร่อยเป็นที่พอใจแก่ใครรสอร่อยสาธุททหารก็ได้หรือมะทุก็ได้สาธุมะทุรสอร่อยสาธุสาธุรสมะทุรสเป็นที่พอใจแก่ใครเป็นที่พอใจรจุจจิกัสสากัสส์รู้จิกัสส์สาธุ ซ้ำเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันสลับคำกันไปสลับคำกันมาเฉยๆข้อห้าอาจารย์กั้นร่มแก่ลูกศิษย์หรือคำถามอ่ะหรือต้องกริยาไว้ข้างหน้านุนุทางเรทานเรตินุอาจาริโยศิษฐศศัตตังาเรติ ทางเรติโนอาจังริโยสิทสัสะชัตตังทางเรติโนอาจังริโยสิทสัสะชัตตังทางเรติโน ประโยคโนุเนี่ยนุมักจะเรียงไว้ตำแหน่งที่สองของประโยะคแล้วข้อหกก็เอานุออกเท่านั้นแหละเป็นอาจจริโยแต่ว่าสลับประโยคใหม่ว่าอาจริโยสิทศัสสะชัตตังทางเรติ เอาทางเรติไปไว้ไวข้างหลังแต่ถ้าเป็นคำถามก็ทางเรติมาไว้ข้างหน้าข้อเจ็ดทางเร ต, เรติลูกนี่ทรงไว้ซึ่งนี่แก่เจ้านี่หรืออินายโกถ้าเป็นคำถามก็ทางรรยะตินุทางเระยะตินุทางเรติก็ได้ทางเระยะติก็ได้คือความหมายเดียวกันทางเรตินุ อินายะโกอินะสามิกัศก์อินังทางเรตินุอินายะโกอินะสามิกัศก์อินังลูกนี่ทรงไว้ซึ่งนี่แก่เจ้านี่หรือใช่ไหมก็มีนุอยู่ตำแหน่งที่2ข้อ8 สามเณรแสดงธรรมกถาแก่พวกเด็กสามเณรโรทางระกานังธรรมกถังเทเสติสามเณรโรทางระกานังธรรมกถังเทเสติข้อ9ก้าข้าพเจ้าน้อมนอบน้อมเอ นอบน้อมแก้มมาเป็นบริไม้หน่อยนอบน้อมข้าพเจ้านอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาหางสัตตันนังนะโมทำเป็นนะโมหังก็ได้นะนะโมหัง นาโมหัง <c oughs> เข้าสนธิเลยนาะโมหังนาะโมหังก็คือนาโมอะหังนาะโมหังสัตตันนังสัมมาสัมพุทธานังพุทธานังเฉยไม่ต้องสัมมานาะโมหังสัตตัน น, นะตนังพุทธานังนาโมหังสัตตันนังพุทธานัง ข้อสิสิทถวายทานแก่อาจารย์สิทโสอาจริยัตสะทานังเทติก็ได้ทัตธาติก็ได้อาจะบริยัตสะแก่อาจารย์ไงสิทโสอาจะบริยัตสะทานังทัตธาติ เทติหรือททาติเทติแล้วก็วงเล็บว่าทัาติก็ได้จะได้รู้ว่าใช้อย่างนี้ก็ได้อย่างนู้นก็ได้ข้อสิออาจารย์แสดงธรรมกถาแก่สิทธ์ทั้งหลายธรรมะกถังอาจารย์ริโยศิษฐานังธรรมะกะถัง เทเสติธรรมกะถังเทเสติข้อสิบสองข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนโม ห, หังธรร ม, มัศสะนโมหังธรร ม, มะศักนโมหังธรมมงงธร ม, มะศักท่านนี้ ต่อไปส3บสาท่านไม่ถวายทานแก่พระสงฆ์เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรก็ขึ้นมาก่อนเลยเกนะเกณะเพราะเหตุอะไรท่านตวางไม่ถวายทานทานางนะเทติ ไม่ใช่ทานังนาเทสิสังคัสสะแกพระสงค์ก็เอาสังคัสสะขึ้นก่อนเลยเกนะตะวังสังคัสสะสังคัสสะทานังนาเทติมีนาด้วยไม่ถวายยไงเกณะตะวังสังคัสสะ ทานังนเทตินเทสินะเทเิเทศิตะวังก็คู่กับศิเทศินาไว้ไหนไม่นิยมครับไม่มีเหตุเดี๋ยวเขาจะแปลว่าไม่เพราะเหตุ ต่อไปข้อ14นักเรียนทั้งหลายถวายหนังสือแก่อาจารย์สิทธศัิศศแก่อาจารย์าอาจารย์ศรียหนังสือนนมันปั้นังเหรอปันนังแต่ว่ากระดาษ หนังสือตำราอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าตำราหนังสือใช้ว่าโปธทกังหรือคันถังได้โปดโปธทกังสโอปปาต่อเต่าจุดถอถุงกอไก่นี่ขหิตในโครงโลกอันนี้โปธะเกสุยังสิบปังซับในตำราไงโปธทะกังโปดทะ ตังหรือไม่ก็คันถังถ้าเป็นคำพีเกี่ยวกับหลักคำสอนก็คันถังถ้าเป็นหนังสือ ท, ทั่วไปก็โปรดทะกังโปรดทะกังโปดทะกั ง, อ, กงอ่านว่าโปรดทะกังถวายละ่ะมีถวายด้วยฮะเทนติ นักเรียนทั้งหลายก็ต้องเทนติข้อสิ้ ừ, <c oughs> 15, ถวายทานแก่พระสงฆ์ดีกว่าให้ทานแก่ขอทาน ừ, ừ, มันมีสองประโยค์ประโยค์หนึ่งก็ดีกว่าให้ทานแก่ขอทาน ต้องคำว่ากว่าให้แก่ขอทานก่อนแก่ขอทานบาลีว่ายาจะการนังกว่าการให้ก็ทานะโตทานังก่อนทานังท <c oughs> านะโตยาจะการนังทานังท า, านะโกดีกว่าก็ บาลีว่าเสโยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่เสโยนะเสยังไม่ใช่เสโยเสยังเสยนั่นแหละแต่บาลีอ่านว่าเสยราแยกสองตัวอ่าแยยักสองตัวเสยัง สังคัสสังคัสสัทานัอง อ, อืมถวายทานแก่ประสงค์ดีกว่าให้ใหทานแก่ขอทานไงฮะแล้วก็ยังไม่จบเลยเทติอี ก, าากาอ่ า, า, าอทีนี้ฟังนะยาจาการังทานัง ทานโตเสยงังทานโตเสยงังสังคสสะทานังเทติเสยังแปลว่าดีกว่าประเสริฐกว่าประเสริฐกว่านะออกมาจากโตทานโตนะแปลว่ากว่า ก, า, การให้เสยังประเสริฐประเสริฐสุดประเสริฐยิ่งทานะโตวกว่าการให้ทานังซึ่งทานยาจาการนางแก่ขอทาน ฮะทานโตกว่าการให้ อ, บบอืมนี่นี่แบบเต็มรูปแบบเลยนะแต่ถ้าแบบย่อนะง่ายกว่านี้แบบย่อเนี่ ย, <ด>ยก็เพียงแต่เปลี่ยนคำว่าแก่สงเนี่ยแปบลบว่ากว่าแก่ขอทาน เราก็จะใช้คำว่าใช้ว่าอย่างนี้น ะ, ะยาจาการนางย่อนะแบบยอ่อยาจาการนางแล้วก็ไม่ใช่เสยยังเสยยังยาจาการนังเสยยังแล้วก็สังคสสะสังคสสะทานัง แค่นี้ตอนสันส้นไม่ต้องมีกริยาทานังการให้สังคสสะแกสงเสยังประเสริฐกว่ายาจาการังแกยาจบแกขอทานการให้แ ก, แกสงประเสริฐกว่าแกขอทานายังง่ายดียาจาการังเสยังสังคสศะทานังบอกแค่นี้ อ่าท า, ทานังทานงทีเดียวทานังนั้นเป็นปฐมาเลยนะไม่ต้องซึ่งทานนะแปลว่าการให้เลยการให้แกสงเลยไม่ต้องใส่กิยาเทติย่อมให้อีกการให้แกสงดีกว่าแก่ขอทานาดูต่อไปข้อ16พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่บองริสัททั้งสี่แกบริษัท4สี่ว่าจะตุนนางปังริสานัง จะตุนนางปังริสานังจะตุนนางแปลว่าทั้งสี่ปังริสานังแปลว่าแก่บริษัททั้งหลายปังริสานังจะตุนนางป ร, ริสานังจะตุนนางป ร, ริสานงต่อไปทำมังอ๋อลืมพุทโธไปพุทโธไม่เอาเลยนะ่ะพุทโธเอาไว้ต้นประโยคเลย พุทโธพุทโธจตุนนางฟังริษานังรำมังแล้วก็เทเสติต่อไปข้อสุดท้ายสิบเจ็ดบองริษัทสี่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสจึงพากันถวายทานแด่พระองค์อะไรโหเลย บริษัททั้งสี่บาลีว่าจะตุนะจะตุนังเหรอไม่ใช่เป็นปฐมาวิพัษนสีตอนเนี้ยจะตอืมจะตัดโศปังกฤษสาจะตัดโศสอเสือสองตัวนะจะตัดโศปังกฤษสาบริษัททั้งหลายสี่แล้วก็ฟังธรรมพระผู้ทีเจ้าแล้วก็เป็นพุทธัสสะ พุทธะธรรมัง <c oughs> พุทธะพุทธะธรรมังสุตวาสุตวาสุแล้วก็ตวาสุธาบกตวะวันฟังแล้วอย่างเงี้ยสุตวาฟังแล้วมีจิตเลื่อมใสบาลีว่าปสัศนะจิตตา ปัศนจิตตาเพราะว่าบริษัททั้งหลายต้องเป็นหู้พันจิตตามีจิตเรื่อมใสแล้วจึงพากันถวายทานแด่พระองค์พระองค์ว่าบาลีว่าไง <c oughs> ก็เป็นตัดสะตัดสะแล้วก็ ทานังเทนติใช่ตัดสะทานังเทนติเทนติจึงพากันถวายทานังซึ่งทานตัดสะแด่พระพุทธเจ้านั้นก็เลยใช้คาว่าแด่พระองค์ทบทวนนะถูกไหมจะตัดโศปังริสาพุทธะธรรมังสุตวา ปัศ น, นจิตตาตัดสานังเทนติไทยมันยาวให้เฉยบาลีก็ไม่ยาว <c oughs> ไม่ทนตรงไหนถามจะตัดโสไม่ใช่จะตุโสจะตัดโสจะตัดโสคำหนึ่งปริษาคำหนึ่ง อ่ะล่ะขึ้นข้อ2องทีเนี้ย